พักทอกับคำสอพอกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่หญิงชราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาชนบทที่เป็นป่ารกทึบอันห่างไกลเธอใช้ชีวิตตามลำพังและคิดถึงลูกสาวของเธอที่ย้ายไปอยู่กับสามีในชายป่าอีกฝั่งวันหนึ่งหญิงชราไม่สามารถทีถ่จะทนต่อความคิดถึงต่อได้เธอจึงตัดสินใจไปตามหาลูกสาว เพื่อนของเธอและชาวบ้านคนอื่นพยายามที่จะหยุดยั้งเธอไวคุณป้าจะเข้าไปในป่าแสนอันตรายเพืลอพังได้ยังไงป่านั้นเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและผู้ล่าทั้งนั้นเลยก็นัทคงจะรู้จักจิตใจของพวกเราดีกว่ามนุษย์ด้วยกันเองถ้ามันเห็นความขลาดกลัวมันก็จะเข้าจู่โจมแต่ถ้ามันเห็นพลังความรักสิ่งมีชีวิตที่อันตรายก็จะไม่พุ่งโจมตีสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจเหมือนกันนะพวกมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละ มันยังไม่ทำให้คุณป้ารู้สึกกลัวพอที่จะเข้าไปในป่าเลยคะโอ้ป่านะให้ทุกอย่างที่เราต้องการเลยนะทั้งฝืนสำหรับก่อไฟน้ำจากแม่น้ำแ้าหยาดฝนสำหรับการกเกษตรมันคือสถานที่ที่เป็นมิต่สุดของเราทําไมต้องกลัวฉันจะไปคุยกับสัตว์ในนั้นดีกว่านะคุยกับสัตว์เลยคะน่าประหลาดมากเลย อย่างที่ฉันว่าไงสัตว์นะ่ะอาจจะไม่เข้าใจคำพูดของฉันแต่พวกมันจะเข้าใจความรู้สึกจากใจของฉันเลยและก็จะตอบสนองในทางเดียวกันด้วยยังไงละ่ะแต่นักล่าทุกตัวก็ต้องการอาหารพวกมันจะปล่อยฉันไปถ้าฉันมีความรู้สึกที่ใช่เช่นเดียวกับสัตว์พวกนั้นอย่างที่พูดไปพวกมันก็เหมือนมนุษย์เราเนี่แหละ มีทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนแออย่าห่วงไปเลยฉันจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยให้เราไปเป็นเพื่อนคุณป่าไปครับอขอบใจนะแต่ป่าจะลองเองสักตั้งหนึ่งนะเช้าวันถัดไปหญิงชราเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังบ้านของลูกสาวเธอบุกป่าฝ่าดงอย่างทุลักทุเลเวลาผ่านไปเธอได้ยินเสียงสนักจิ้งจอกหอนก่อนที่เธอจะรู้ สุนัขจิ้งจอกก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองดูเธอด้วยความโหดร้ายและความหิ่ยวหงอยิงฉะระข้าหิวข้าจะต้องกินเจ้าซะโอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่รักข้าขอโทษ ด, ด้วยที่เจ้าหิวแต่ดูข้าข้าพบติดครัดูเป็นแค่หญิงแก่ๆคนหนึ่งข้าดนะ้ จะทำให้นักละตัวโตและแข็งแรงอย่างเจ้าพอใจได้อย่างไงกรละฮะแต่ข้าต้องกินถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยเข้าใจไหมทำไมเจ้าไม่รอฉันสักสัปดาห์หนึ่งฉันจะไปหาลูกสาวที่บ้านฉันจะเตรียมอาหารอร่อยอร่อยและอุดมสมบูรณ์ฉันถึงอีกไว้นานฉันต้องน้ําหนักขึ้น เจ้าก็จะกินฉันได้ยังไงล่ะเทพโปรดให้ฉันได้ไปก่อนเถอะนะตอนนี้สุนัขจิ้งจอกพูดหญิงใหญ่อยอดนักล่าแห่งพร่งพายที่สามารถจะล่าสัตว์อื่นมาประทังชีวิตได้ไง่ายๆในสัปดาห์เดียวพอตอนให้เจ้าจะล่าฉันฉันคงจะอวดพีกว่า น, นี้ละอร่อยกว่า น, นี้เป็นแน่ฟังรูไม่เลวเนี่เอาละข้าจะให้เจ้าผ่านไปก่อนสุนัขจิ้งจอกจึงให้หญิงชราเดินผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หญิงชราได้ยินเสียงเสือคำรามเธอส่งยิ้มเมื่อเสือปรากฏตัวต่อหน้าหญิงจราข้าหิวข้าจะต้องกินเจ้าเจ้าเสือที่รักฉันขอโทษที่ได้ยินว่าเจ้าหิวแต่ว่าดูฉันซักก่อน ฉันหนาผอมหรือแต่กระดูดถ้าเป็นแค่คนแก่แกจะ ท, ทําให้เสือผู้หญิงใหญ่พอใจได้อย่างไงกันละ่ะทาไมกันล่ะนี้คณะสุนัขจิ้งจอกที่ไต่ต่ำกับเจ้ายังไม่อยากจะกินฉันเลยนะคณะสุนัขจิ้งจ อ, อกยังไม่กินเจ้าเลยจะรู้ไหมว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ใกลออกไปจากตรงนี้เขาจะไม่เห็นฉันก่อนเรื่องง่ายลองไปถามเขาดู ขนาดเขาเองก็ยังบอกว่าชัดพอบเกิดไปที่จะไปลิ้มลองแล้วเจ้าเป็นเสือส่งพลังเจ้าตัวโตกว่ายิ่งใหญ่กว่าเขาอีกทีนี้จะยังอยากกินชันอีกเหรอเจ้าสมควรจะได้กินอะไรที่ดีกว่านี้ทําไมเจ้าเนี่ยไป่รอชันสักสัปดาห์เนอะฉันจะไปหาลูกสาวที่บ้านเธอจะเตรียมอาหารอร่อยๆและอุดมสมบูรณ์ให้ชันสักอีกไม่นานฉันจะต้องน้ําหนักคืนฉันคงจะอวดพีกว่านี้และอร่อยกว่านี้ เขาจะได้กินชันก่อนที่สุนัขจิ้งจอกกินอีกให้ฉันไปเถอะนะแต่โปรดเถอะฟังดูใหม่แล้วเอาละข้าจะให้เจ้านผะ่านไปก่อนข้าควรได้กินของดีกว่านี้ หญิงชรารีบเร่งเดินทางไปเมื่อเธอได้ยินเสียงคำรามของสิงโตสิงโตก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้หญิงชราข้หิวข้จะต้องกินเจ้าสิงโตบมเป็นเดียวรักฉันก็รด้ทีได้ยินว่าเจ้าหิวแต่ขนาดฉันเองก็ยังไม่พอทย่จเป็นอาหารไอสุนัขจิ้งจอกผู้อาภัพกับเสือพวกใหญ่เลยเจ้าแล้วเจ้าน่ะ เป็นสิงโตเจ้าป่าเป็นราชาแห่งไพรวานอย่างเจ้าจะเลดตัวลงมากินข้าอย่างงั้นเหรอฮะก็จริงล่ะคณะเสือกับสุนัขจริงจอกยังให้เจ้าผ่านมาได้โดยไม่ตะครุบเจ้ากินฉันรอดมายืนอยู่หน้าเจ้านี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะแล้วเจ้าก็รู้ว่าสิงโตและสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ที่ไหนโอแน่นอนพวกเขาเองก็มองว่าชันพบเกิดไปสําหรับพวกเขาทําไมจะไม่รอฉัน สักสองสาสัปดาห์ฉันจะไปหาลุกสาวเธอจะเตรียมอาหารอร่อยและอุดมสมบูรณ์ให้ฉันและเพียงสัปดาห์เดียวพระเจ้าจะออกล่าฉันถ้ากูจะอวดพีกว่านี้และอร่อยกว่านี้ฟังดูไม่แลวเด็เอาละข้าจะให้เจ้าผ่านไปก่อนข้าควรได้กินของดีกว่านี้นะหญิงเชรา ไปถึงบ้านของลูกสาวลูกสาวของเธอปลื้มปริมที่ได้พบเธอเธออาศัยอยู่กับลูกสาวนานอยู่สัปดาห์หนึ่งแล้วก็มาถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับไปแล้วคุณแม่คะทําไมรีบเก็บของจังเลยเนอะโอ้ที่รักแม่ต้องกลับบ้านแล้วลวนะนาะแม่คะหยุดต่ออีกสักพักเถอะนะคะ แม่ก็ถึงบอแล้วจะลุกนะช่วยอะไรแม่สิก่อนที่แม่จะไปนะในทุกอย่างตามที่แม่ว่าเลยค่ะแม่ก็แค่อยากจะขอฟักทองลูกใหญ่ๆหน่อยนะลูกสาวของเธอไปหาฟักทองลูกใหญ่มาให้พวกเขาขูดไส้ในมันออกหญิงชราปีนเข้าไปข้างในเปลือกลูกสาวของเธอหมุนฟักทองเข้าไปในป่าฟักทองผ่านหน้าสิงโตไป เฮ่จะฟักทอหมุนได้เจะมาจากหมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วจ้าเจ้าเห็นหญิงชราที่นั่นไหมเธอน่าจะกลับมาวันนี้นินาเจ้าป่าจะมาถามอะไรคําถามที่ไร้สาระแบบนี้กันล่ะเนี่ยเจ้คิดว่าหญิงชราจะมาขับรถฟักทองได้ด้วยยางไงกันราะเธอนี่แหละข้าล้อเล่นน่ะข้ารู้แล่นน่ะ ผู้หญิงหมุนฟักทองไม่ได้หรอกรีไปเธอไม่ฟักทองโอเคโทษทีเร่งไปเลยนะฟักทองและหญิงชาราหมุนไปตามป่าจนกระทั่งเสือมาหยุดไว้งายเจ้าฟักทองหมุนได้เจ้ามาจากหมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วเจ้าเจ้าเห็นหญิงชาราที่นั่นไม้เธอน่าจะกลับมาวันนี้นินา เสือพู้หญิงใหญ่จะมา thở เป็นท้องมาเร่ร่อยสอได้แบบนี้าคิดว่าหญิงชาราจะมาคลอดฟักทองได้หรือไงทาวคิดว่าเธอทำได้เหรอเสือผู้หิงใหญ่จะปล่อยเธอ muốn ไปหยังงานได้ยังไงสือบือเออแงหรอข้าล้อเล่นนะ้ารู้ผู้หญิงมุดฟักทองไปไม่ได้หรอกรีบไปเลยแมฟักทอง เจ้านี้ฟักทองก็หมุนมาจนถึงเขตแดนของสุนักจิ้งจอกเอ๊เจ้าฟักทองหมุนได้เจ้ามาจากมู่บ้านงั้นเหรอใช่แล้วเจ้าแล้นเจ้าเห็นหญิงชราที่นั่นไหมเธอหน่าจะกลับมาวันไห้นี่นาเจ้ามาถามไร้ไร้สาระแบบนี้เจ้าคิดว่าหญิงชราจะมาขับรถฟักทองได้ด้วยยังไงเจ้าคิดว่าเสือหรือว่าสิงโตจะปล่อยให้เธอผ่านมาด้วยยังไงกันล่ะืศรษฐีจังเลยเอ่อเแค่แล้อเล่นนะ ดิไปเลยมาฟักทองเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนฟักทองพูดได้แต่เมื่ อ, อไรกันข้าจำเสียงได้ญิงชราเนี่ยเจ้าขับฟักทองอยู่เหรอออกมาซะหรือจะให้ข้ากระโจนเขาไปเจ้าเนี่ยรู้แล้วนี่นะเจ้าฉลาดดีจังเลย ฉลาดกว่าเสือผู้หญิ่งยายและสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าซะเองนะเจ้าเก่งมาก <c oughs> ข้าฉลาดใช่ไมมล่ะแต่ว่าใครจะเหลือรอดไปบอกโลกใบนี้ละ่ะถึองความอัจริยะและปัญญาของเจ้านะหมายความว่ายังไงก็ เมื่อเจ้าพบกับฉันแล้วเจ้าก็ต้องอยากกินฉันเป็นท้าวบาดะแต่ฉันตายไปใครจะไปสันเสริญเจ้าว่าเจ้าหลักแหลมแค่ไหนเจ้าคิดว่าเสือกับสิงโตจะเชื่อน้ําคําเจ้าหรอือเออไม่ข้าคงต้องปล่อยเจ้าไปสําหรับเรื่องนั้นแล้วถ้าเจ้าปล่อยข้าไปทําไมถึงจะกังวลแค่เสือกับสิงละ่ะฉันจะกลับไปที่บ้านไปบอกทุกคนว่าจริงจอเป็นสิ่งมีชีวิตเถกเกงที่สุด และชาชลาดและรู้แจ้งก็เสือผู้หยิ่งใหญ่และราชาสิงสะอีกนะรู้ไหมแล้วผูกคนก็จะบอกกันปากต่อปากและก็ไม่นานักโลของเราก็จะต้องรู้ว่าเจ้าอัจฉริยะแค่ไหนทั้งโลกก็จะได้รับรู้ว่าหมาปาาา่าชาลาสือและสิงโตสะอีกใช่แล้วโอ้งั้นรีบไปเลยเจ้าหญิงชาลา ไปยังหมู่บ้านของเจ้าแล้วบอกให้โลกรู้นะประกาศไป้ว่าขานะเจ๋งที่สุดของโลกนี้เลยด้วยวิธีนี้เองหญิงชราจึงกู้ชีวิตของเธอเองได้และกลับบ้านอย่างปลอดภัยมเมื่อเพื่อนและเพื่อนบ้านของเธอถามว่าเธอตบตาสัตว์ป่ายังไงหญิงชราจึงกล่าวแบบเรียบง่ายว่า การป้อนอัตตาและบกพรอยู่กับคำสาปล่อเป็นสิ่งที่แย่สำหรับทุกคนไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเธอพูดถูกนะคะว่าไหม